มาจากที่ไหนกันมาที่ว่าค่ะมาด้วยกันนะใช่ค่ะทั้งหมดกี่คนหคนทำอะไนที่ไหนย่างเน้อรู้จักโกลาจ่ไมไม่รู้จักกันใช่ไมนี่พี่น้องกันนะนั่เราที่ว่ากระทรวงขาทำอะไรที่นั่น ผมเป็นขอาราชการการบำนาญแล้วรูจักครดีได้ยังไงดูจาก y o u t u ค่ะยูบเนีแตวว่าวันนี้สองสามครั้งว่าแต่ไม่ทราว่าอาจารย์อยู่ตรงนี้คือมาอ่านนี่แล้วก็มาค้นหาแล้วออยู่นี่เองมี้องสามด้วยจักใครแถวนี้หรือเปล่า ไม่รู้จักไรู้จักนะดูจากดูดูเลยอืมนี้มามาทุระที่ไหนเลยใื่ว่าจะไปเที่ยวพม่าก็เลยแวะมานี่มันนี่วันเกิดมเด๋ยนนี้เป็นเดือนเกิดพวกหูหมดเลยสามคนไปพม่าไปเมืองไหนบ้างไหก็จะไปเล่นที่ฮ่องกง ไปดูอะไรเป็นหลักหรืว่าดูทุกอย่างไปไว้พระไปชาเวดากองครือว่าไปแล้วได้อะไรยังไม่เคยไปค่ะไม่เคยไปเราจะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างไปดูถาวรวัตถุเป็นเอ๊ ยังไม่ได้เป็นเป็นเป็นตัวของศาสนาเป็นเครื่องประดับของศาสนาศาสนาเนี่ยอยู่ที่พระธรรมคำสอนในศาสนาธรรมกคยไปประเทศอินเดียหรือยังยแล้วไปแล้ว ไปทั้งสี่สถานไม่อยู่ไปพุทธคุยานไปปฏิบัติที่นั่นออาทิตย์ อ, อาทิตย์ไหมคม่แล้วได้ผลดีกว่าปฏิบัติที่บ้านที่ที่นี่ไหมที่บ้านดีกว่า <c oughs> ที่บ้านดีกว่าที่โน่มันหนาวแล้วมันไม่สะดวกหลายอย่างนั่นใช่เราไปทําไมอะ ก็จะไปดูว่ปฏิยดีขนวกไปปฏิบัติก็ปปกไปเป็นพวกชอบลองของ <S <S ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ <S <S ไม่ใช่ใช <S <S แล้วปฏิบัติมาได้มากน้อยเพียงไรโตปฏิบัติได้นะ้วาน้อยก็บางครั้งก็รู้าท้อทันอารณ์ได้ ใครโตรมามาทีเราก็หยุดนิดหน้หเฉยเมยใช่ได้ตตอไปปฏิบัติมานานได้ยังกนดางจะมีคู่บาอาจารย์ที่ไหนเป็นหลักบ้า <c oughs> งลุมก็ใจธรมะนี่เรื่งองลวง นูเนหนูอยากปฏิ บ, บัติมากมันมีความยากมากเลยแต่ว่าหนูบางทมันทําทำไม่ได้ยอ๋อก็ธรรมดาแหะมันธรรมะมันไม่ได้เป็นของที่จะทำได้กันง่ายๆ แต่บางครเราก็พยายามนะถ้าเราเจออุปสักหรือว่าเราเจอขนญหาหรือว่าเราเจอเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่ตัวเราเลยอางที uh huh. เราคิดว่าเราไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องอะไรแล้วเราหามาเยอะแล้ว uh huh. เราจะหลุดไปได้ยังไงสิ่ง uh huh. ที่เราต้องเอาก็คืออากุศลเราที่เราจะนำปิดตัวไป uh huh. เราจะละทิ้งมันได้ยังไง จะปล่อยวางได้อย่างไรแบบนั้นหราคิดก็ถูกอะเรื่องที่ถามก็อยากจะทราบว่ามีใครเป็นผู้ช่วยแนะแนวทางอะไรให้หรือเปล่าหนูก็อาศัยในในยููอ่าศึกษาไปดูอันไหนที่ว่าเราฟัแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ไม่ยากจนเกินไปแล้วเราเข้าใจได้ง่ายแล้วเรารู้สึกว่าเออมัน มันไม่ยุ่งยากลยหลายๆอย่างนะอะอะ่แค่อยู่นี่เจอดูวมไปอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วอะแต่พ่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ตัดตาดนี้ไปได้บ้างอ่าก็ถ้าปฏิบัติไปไเรื่อยๆมันก็ได้เองอถ้ามีคนคอยแนะนำมันก็จะยิ่งดีขึ้นคือถ้ามีคนที่รู้ทางบอกทางมันก็จะทา<น>ได้นะแลูอธิษฐานประจำเลยค่ะ มันจะทําให้เราไม่หลงทางใช่ <Yeah. S 1> แลถ้าเราศึกษาตามลำพังนี้โอกาสที่มันจะถูกตัวเราเองหลอกก็ยังนยังมีอเพราะกิเลสในใจเรามันฉลาดฉลังมันชอบหนอกหลอกให้เราไปออกนอกลู่นอกทาง <Yeah. S 1> ถ้าได้ไปอยู่กับผู้รู้ทางเเวลาเราออกนอกทางท่านก็จะเตือนเราท่านก็จะบอกว่า ไม่ใช่ทางนะคืะ mm hmm. อเท่าที่อาจจะมาได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาก็เห็นคุณค่าของการมีครูบาอาจารย์เคยศึกษาเองมาก่อนแล้วไปศึกษาครูบาอาจารย์นี่ผลมันต่างกันมาก mm hmm. ศึกษาเองมันคำปทางไปถูกบ้างผิดบ้างถึงแมจะเป็น ศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ใจเราเนี่ยมันแปลคำคำสอนไปในทางที่ไม่ถูกได้แต่ถ้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รู้ทางแล้วท่านจะท่านจะคอยดึงเราให้เข้าอยู่ในทางเวลาที่เราออกนอกรูนอกทางมีประโยชน์มาก ตอนต้นที่มาศึกษาก็ไม่ได้สนใจกับครูบาอาจารย์พได้หนังสือที่คัดมาจากปไตยปิดก็กเช่นเช่นธรรมจากกับประวัตนสตรสติปทานสูตรมันก็ค่อนข้างที่จะตรงอยู่แล้วแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันมีรายละเอียดที่ที่มันไม่มีในหนังสือ มันจะเกิดจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติมาแล้วการได้รายละเอียดเหล่านั้นมันจะทำให้การปฏิบัติเราคืบหน้าไม่งั้นเราจะติดอยู่กับที่ได้เ<อ>พียงแต่ถามเพราะว่าเราก็จะผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็มักจะมีครูบาอาจารย์กันไป ไปศึกษาไปเรียนจากท่า น, นนั้นท่านนี้อะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายอะไรที่ไม่มีถ้าเรามีธรรมะที่เราหาได้ในอินเทอร์เน็ตในยูทูบในอะไรที่เราสามารถนำมามาปฏิบัติแล้วดับความทุกข์ภายในใจเราได้ก็ก็ใช้ได้ แต่ ว, ว่ามันจะใช้ได้ในระดับไหนทํามันมีหลายระดับอนี้ระดับทานระดับศีลระดับภาวนาระดับสมาธิระดับปัญญาปัญญาก็มีหลายระดับสมาธิก็มีหลายแบบซึ่งถ้าเรา ปิบัติโน้ที่เราไม่รู้ว่าแบบไหนถูกแบบไหนไม่ถูกเราก็จะปฏิบัติผิดได้ดังก็ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนถ้าไรอยู่ในระดับต้นๆ น, นี้มันก็ความจําเป็นที่จะต้องมีครูแนวแนวทางก็อาจจะมีน้อย เพราะว่ามันไม่ลึกซึ่งยากเย็นนะแต่ถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปมันจะมีความลึกรับซับซ้อนถ้ามีคนคอยบอกมันก็ไม่ต้องเสียเวลาถ้าไม่ไม่มีคนบอกก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกไป แล้ววันนี้มานี่อยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรหรือเปล่าฮ <Yeah. S 1> ะไม่มีอะไรเลยแล้วทางโคลาชใช่ไหมทางโคราชมีอะไรไหย <c oughs> มาทําอะไรแถวนี้เลยพอดีว่าทำพื้นที่ไร่ อยู่โคราดไปไปวัดไหนบ้างวะบ่าอยู่โคราดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไทยีทางานหรือก า, าราาร่วมพยาบาลกันกไม่ยมีเวลาบ้าง ก, กันเท่าไหร่ล่าสุดที่ไปก็เป็นวัดปา่าศพบัวมดสายหลงปูมนนะ่มันเนี่เป็นวัดของวัดคู่กับวัดป่าสาวละวันเนะี รู้สึกกูบาอาจารย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเลยนะประวัติแล้วที่วัดท่านมีกิจกรรมมีอะไรหรือเปล่าที่ไป ม, มีการสอนมีการปฏิบัติอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ถ้าจริงชื่ชื่อส่วนใหญ่ตอนเจะเป็นไปทำบัพเนเออ สที่ไปก็คือได้ไปบวชที่เขามีจัดกิจกรรมบวชทำไว้ในหลวงราชการที่เกครับเลยบวชแล้วก็จัวัดอยู่ที่นเราท่าจรก็จะาวทวัดเช้าบิณฑบาตแล้วก็ช่วงเวลากลางวันก็จะมีสอนท า, าช่วงเงยน็นช่วงกลเกย็นก็จะมีน้าสมาธิเรีย น, น, นงนีครับได้กี่วันเนะี่ บวชวันเจ็นเจ็ดวันเนี่ยบวชนุ่งขาวองข า, ราหรอือวบวชบวชกันพระอะก็ไม่ต่างกันนุ่งขาวองขาหรือวบวชพระถ้าบวชแค่เจ็ดวันก็ไม่ค่อยมีผลแตกต่างกันค่อยบวชแล้วยังงมคอ่คอยบวชหรือเปล่ายังไม่ค่บวช เรื่อีอะไรไหมเียอะไรจะทำอือการปฏิบัติจะปฏิบัติได้ถูกต้องก็ต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติก่อนเหมือนกับการที่เราต้องไปเรียนหนังสือ เรียนเเราจะได้มีความรู้ที่จะนำไปใช้กับอาชีพต่างๆถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่มีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพต่างๆได้เนจะไปเป็นแพทย์นี่ก็ต้องไปเรียนวิชาแพทย์การปฏิบัตินี่ก็เป็นเหมือนวิชาชีเป็นอาชีพอย่างอาชีพข้ากิเลส อาชีพรักษาจิตใจแพทย์เขารักษาร่างกายแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนีมารักษาจิตใจก็ต้องเรียนเหมือนกับแพทย์นักเรียนแพทย์เขาเรียนกัน6ปีเข้าถึงจะได้รู้วิธีรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าก็ไม่เรียนแล้วก็ไปรักษามันก็รักษาแบบผิดๆถูกๆ หายบ้างไม่หายบ้างตายบ้างพราะไม่รู้จักวิธีรักษาที่ถูกต้องการรักษาใจก็แบบเดียวกันถ้าไม่ศึกษาวิธีรักษาเราไปรักษามันก็รักษาแบบผิดผิดถูกๆบางทีกิเล่ก็ตายบางทีมันก็ไม่ตาย มันกลับเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้สึกตัว oh. เพะนขั้นแรกนี้เราต้องศึกษา oh. ศึกษาวิธีรักษาโรคใจ oh. ซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แบบเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนแรกก็ให้เราทำบุญทำทานขั้นที่สองให้เรารักษาศีล อันที่สามก็ให้ภาวนาอันนี้ก็ต้องทำไปเป็นขั้นขั้ น, น, นการแรกเราต้องอใจบุญไม่หวงทรัพย์ข้าวของเงินทองไม่มีไม่มีความโลภอยากได้เงินได้ทองมากเกินความจำเป็นเงิ น, นทองมีไว้สำหรับ เลี้ยงดูร่างกายถ้ามีมากกว่านั้นก็อย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะมันจะทำให้ใจนี้ทุกข์มากขึ้นไม่ใช่ทุกข์น้อยลงเช่นเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็น เพราะการใช้เงินแบบนี้มันจะทำให้เราติดแล้วเราอยากจะใช้อยู่เรื่อยๆเห็นข้าวของอะไรใหม่ๆก็ชอบก็อยากได้ก็ซื้อมาซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อใหมอ่อีกแล้วถ้าซื้อไปบ่อยๆเขาเงินก็ต้องหมดก็ต้องไปหาเงินมามาซื้อของต่างๆก็จะติดกับการหาเงินใช้เงิน เวลาที่จะไปปฏิบัติศีลไปปฏิบัติภาวนาก็จะไม่มีพราะต้องไปทำงานเพื่อหาเงินได้เงินมาก็เอาไปเที่ยวกันเอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อกันพะุทธเจ้าเลยบอกว่าอย่าใช้เงินแบบนี้ถ้ามีจกักจะใช้เงินใช้เอาไปทำบุญทาทาน จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขแล้วจะทำให้เราไม่อยากจะไปเที่ยวไม่อยากจะไปใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผ ล, ลจะทำให้เรามีความเมตตาจะทำให้เราไม่มีความโลภอยากจะได้เงินก็ทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินมากจนเกินไป เราก็จะมีเวลาว่างพอที่จ ะ, ะมารักษาศีลม า, ามาภาวนานี่คือเป้าหมายของการท ำ, ท, ำทานให้เรารู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ใช้เงินให้มันไม่เกิดโทษกับเราถ้าเราใช้เงินกับการซื้อของที่ไม่จำเป็น ใช้เงินกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกเม้นกายมันก็จะติดมันก็จะใช้อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่มีก็ต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะได้ใช้เพราะเวลาอยากใช้แล้วมันไม่มีใช้นี่มันหงุดหงิดมันไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินตามความอยากเอาไปทำบุญมันจะกลับทำให้ใจรามีความอิ่ม มีความไม่อยากไม่อยากเที่ยวไม่อยากซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆถ้าจะซื้อก็ซื้อของจําเป็นจริงๆเช่นเสื้อผ้าขาดไม่ไมไม่พอใช้ก็ซื้อมาถ้ายังพอใช้อยู่ยังไม่ขาดก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนชอบซื้อของใหม่เนี่เดี๋ยวก็จะซื้ออยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเห็นเสื้อผ้าตามร้าน ก็อยากซื้อซื้อบางทีซื้อมาเต็นตู้เลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ใส่บ้างนานๆใส่สักครั้งหนึ่งแต่ความอยากที่จะใช้เงินซื้อของต่างๆมันจะมีอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของไม่จำเป็นทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้งกาย เอาเงินไปทำาืจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่อิ่มที่อยู่กับใจนานกว่าความสุขความสุขที่เราได้จากการใช้เงินไปซื้อไปทำตามความอยากไม่เป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดมันก็มีความสุขเหมือนกันแต่มันสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้เสพแล้วเดี๋ยวมันก็ ปิดแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆส่วนความสุขที่เกิดจากการเอาเงินไปทําบุญนี่มันทําให้เหมือนกับไปซื้ออาหารพอพอทำบุญแล้วใจจะอิ่มใจจะไม่หิวกับการไปหาความสุขจากการไปเที่ยวหรือจากการไปซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วมันก็จะทําให้เราหยุด ใช้จ่ายเงินแบบสูอรุยสืราใช้จ่ายเงินแบบไม่มีเหตุไม่มีผลได้เราก็ไม่ต้องดิ้นนินไปหาเงินหาทองเราก็จะหาพอพอเท่าที่เราต้องการจะใช้เราก็จะมีเวลาไปรักษาสีนไปภาวนาได้ คือการภาวนาการรักษาศีลนี่เราตองทำแบบต่อเนื่องทําแบบทีลเหลายหลายวันถ้าทําทีลเชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่มันมันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่มันเป็นการเหมือนกถ็ถทารับประทานอาหารก็กินชิมอาหารตักคำสองคำนั่นเองมันไม่อิ่มมันต้องกินแบบกินให้มันจะทั้งอิ่มเลย ถ้าได้ภาวนาสัก3ามวันเจ็ดวันต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนมันจะได้ผลดีกว่าภาวนาวันละครึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงนั่นแหละคือเรื่องของการทาทานเพื่อเราจะได้มีเวลามาภาวนามารักษาศีถ้าเรายังใช้เงินอยู่ เราก็ต้องไปหาเงินเวลาที่จะมาภาวนาก็จะไม่มีนี่นี่คือขั้นแรกทำทานทำทานแล้วก็จะทำให้ใจเรามีความเมตตาคนที่ทำทานนี้จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้ก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายคนที่ไม่ทำทานนี้ เป็นคนที่ยังอยากได้เงินได้ทองไปซื้อไปใช้ตามความอยากของตนก็มักอยากจะหาเงินแบบง่ายๆหาเงินแบบไวๆหาแบบมากๆวิธีที่จะหาแบบง่ายๆไวๆมากๆ ก, ก็ต้องทําบาปกันต้องโกโหกต้องรักทรัพย์ต่อชอโกงหรือก็ต้องฆ่าศัตว์ คนที่อยากจะหาความสุขจากการรับประทานอาหารก็อยากชอบกินอาหารสดๆนะอาหารทะเลชอบเอาปลาสดๆมนะปลาที่ยังมีชีวิตอยู่นะไปสั่ให้เขาค่ามาทำให้เรากินนะอันนี้ก็ทำบาปนะนะึกทาอาชีพไม่สุจริตคนะนะ่าของเถื่อนค่าของหนีภาษี มันได้กำไรมากกว่าค่าของที่เสียภาษีแต่ถ้าคนที่ทำบุญแล้วจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องการหาเงินแบบนี้ก็จะไม่ไม่ต้องไปทำงานแบบนี้ไม่ต้องไปทำบาป ก, ก็จะรักษาศีลได้พอรักษาศีลห้าได้ก็ขยับไปรักษาศีลแปดต่อได้ ก็ถ้าจะไปภาวนาไปทำใจให้สงบทำใจให้เกิดปัญญานี่จำเป็นที่จะต้องรักษาสีนแปดกันเพราะสีนแปดจะเป็นรั้วกัน้นพฤติกรรมของของใจที่ไม่ควรไปทำกิจกรรมที่จะทำให้ไม่มีที่จะทำให้ไม่มีเวลามาภาวนา ศิหนห้านี้ยังไม่ได้ห้ามกิจกรรมต่างๆเช่นยังไม่ห้ามการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่ห้ามการรับประทานอาหารมือเย็นมือค่าไม่ห้ามให้ไปดูมหอรสศบบันเทิงไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ห้ามเนื่องการหลับนอน อยาจะนอนกี่ชั่วโมงนอนนานเท่าไหร่ก็นอนไปนอนบนเตียงใหญ่ๆผูกหนาๆ น, นอนให้สบายก็ไม่ห้ามแต่ถ้ามาถือศีลแตดกิจกรรมเหล่านี้จะถูกห้ามเพราะมันเอาเวลาจะของการภาวนาไปถ้ามีการร่วมหลับนอนกัเ น, นียมันก็จะนอนยาวไปเลย จะไม่มีเวลาลุขึ้นมานั่งสมาธิมาภาวนาการหรือไปเที่ยวหรือรับประทานอาหารไปกินเลี้ยงทัแล้วมาทานอาหารเมื่อคํากว่าจะกินเสร็จมันก็เดือหรือมืดมันก็ใกล้เวลานอนนะพอจะนั่งก็หลับพอเวลากินอิ่ ม, มแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะง่วงนอน แต่ถ้ากินเพียงเที่ยงวันนี่พอหลังจากพอบ่ายไปแล้วก็สามารถภาวนาได้แลไม่ต้องมากังวลเรื่องอาหารไม่ต้องมาทํากิจกรรมอย่างอื่น<ม>ก็จะมีเวลาว่างไปจนถึงเวลานอนเลยตั้งแต่บ่ายไปนี้ก็ภาวนาได้ถ้าเวลานอนก็นอนมากถ้านอนบนบนพื้นแข็งๆถ้าไม่นอนบนฟูกนัหนานๆะ มันก็จะพักนอนไม่นานเพราะร่างกายถ้ามันได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเวลามันนอนบนคล้นแข็งๆมันก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเหมือนนอนบนฟูกนั้นนะพอร่างกายได้พักผ่อนพอสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมาก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อได้เช่นนอนสี่ทุ่มนพอตีสองนี่ก็ตื่นขึ้นมาละ ตีสตี3าก็นั่งสมาธิต่อปฏิบัติต่อได้ถึงสว่างหกโมงเชา้านี่คือการปฏิบัติถ้าอยากจะให้มันได้ผลเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกับการทำงานถ้าเราทำงานประจำทำทุกวันหยุดเฉพาะสาวอาทิตย์กรานานทำทำสักครั้งนี่ รายได้มันต่างกันเดือนหนึ่งทำสักสองสามครั้งหรือทำวันละชั่วโมงเงี้ยมันสู้คนที่ทำงานวันละแปดชั่วโมงไม่ได้นะ mm hmm. การภาวนาก็เหมือนกันการภาวนาถ้าภาวนาวันละครึ่งชั่วโมงทั้งสองครั้งมันสู้ภาวนาแบบเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยหรือสิบชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองไปเนี่ย ถ้าถือสีลแปนี่พอทั้งจากกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็อาจจะพักสักหน่อยพอบ่ายสองนี่มันก็หายง่วงแล้วก็ภาวนาได้เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลานอนเลยนอนสี่ทุ่มบ่าย2ถึงสี่ทุ่มก็ได้8ดชั่วโมงแ ล, แล้วพักสัก4ี่หชั่วโมงตื่นขึ้นมาตีสองตีสาก็นั่งต่อได้อีก3าสามชั่วโมง เห็เวลาสว่างถ้าทำอย่างนี้นะมันจะได้ผลผลเกิดที่เหตุคือการกระทำมันไม่มีทางลัดบางคนคิดว่าปฏิบัติครึ่งชั่วโมงแล้วบรรลุได้เลยถ้ามีปัญญาสมัยพุทธกาลฟังเทศก็บรรลุธรรมได้เลยแต่คนที่เขาจะบรรลุกันนั้นก่อนจะบรรลุได้เขาต้องสร้างฐาน ของการบรรย์ ข, ขึ้นมาก่อนพวกที่บรรลุธรรมนั้นก็าบวชกันเป็นสิบสิปีกันเขาขาดปัญญารอปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนเขามีศีลแล้วเขามีสมาธิแล้วแต่เขาไม่มีปัญญาเห็นพวกเราตอนนี้มีปัญญากันเยอะแต่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิกัน ไม่มีทานพวกพวกที่เขาบรรลุนี่เขาทำบุญหมดเลยมีเงินทองเท่าไหร่เขาเขาสละไปหมดเลยเขาไม่เก็บเอาไว้ไม่ใช้เงินใช้ทองเลิกใช้เงินใช้ทองเลิกหาเงินหาทองเอาเวลามาหาธรรมกันเอาเวลามาปฏิบัติกันอย่างนี้แหละถึงจะบรรลุธรรมกัน ฟังทมกันปั๊บก็บรรลุกันได้เลยสมัยนี้เราฟังทมกันหูฉีกแล้วมีทำให้เราฟังได้อ่านกันเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่มีศีลไม่มีสมาธิเรายังติดอยู่กับการหาเงินหาทองติดอยู่กับการใช้เงินใช้ทองหาความสุขทางตาหูจมูกเลิ้งกายกันอยู่มันก็บรรลุไปได้ เพรฉะนั้นก็ต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติวิธีที่จะปฏิบัติแล้วทําให้ได้บรรลุผลกันนั้นปฏิบัติอย่างไรคือผลหลักกับผลทั่วไปเช่นเราเราเราลองปฏิบัติเราก็อาจจะได้ผลบ้างเล็กๆน้อยๆหากห้ามจิตใจได้บ้างในบางเรื่องบางอย่าง แต่ยังไม่ได้ทุกเรื่องทุกอย่างเรื่องที่ยังหักห้ามไม่ได้ก็มีอยู่เช่ <Yeah. S 1> นใจเรายังติดพันอยู่กับร่างกายให้อยู่ <Yeah. S 1> ยังอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ yeah. พอเวลาเกิดร่างกายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้เราจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา เพราะเรายังปล่อยร่างกายไม่ได้เรายังตัดความยึดติดอยู่กับร่างกายไม่ได้เรายังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เป็นของยากของที่ต้องใช้การปฏิบัติที่จะสร้างพลังให้กับใจเพื่อที่จะต่อสู้กับความยึดติดความยึดติดนี้เป็นเกินเป็ น, น, เ, ปนเลตเป็นตันหา เราต้องภาวนาให้จิตมีพลังสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้ถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่ายังปฏิบัติไม่ได้มากยังไม่พอต้องปฏิบัติต้องทําจิตให้รวมเป็นสมาธิแล้วต้องใช้ปัญญาค่อยสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ให้ติด ไม่ถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอพอมันเป็นความหลงความจริงนี้ร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแต่ความหลงมันจะหลอกให้เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราพอมันเป็นอะไรนี่เราจะไม่อยากให้มันเป็นพอมไม่อยากให้มันเป็นมันก็ทุกขึ้นมา เรามีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถออสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้นถ้าปล่อยได้ร่างกายเป็นอะไรใจจะไม่เดือดรอ้อนร่างกายจะแก่ก็เฉยร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยร่างกายจะตายก็เฉยเราไม่มีกําลังเฉยกันเรามีกําลังทําอะไรเยอะแยะกันหมดเลย แต่ขาดกําลังเฉยๆ เ, เนี่ยไม่เฉยๆไม่ได้พอมาอะไรมาสัมผัสมากระทบกระใจหน่อยนีย่มันเต้นขึ้นมาเลยมันตื่นขึ้นมาตื่นเต้นขึ้นมามันเฉยๆไม่เป็นที่มาภาวนานี่ก็เพื่อมาฝึกใจให้เฉยตอนต้นก็เฉยด้วยสติด้วยสมาธิฝึกจิตให้หยุดความคิดอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ อเราไม่คิดแล้วใจก็จะเฉยแต่พอเราเผลอไปคิดใจก็ไม่เฉยแล้วคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆตามมาถ้าไม่คิดถึงอะไรได้มันก็จะว่างจะเฉยจะไม่มีอารมณ์อันนี้ก็เป็นการเฉ ย, ยในเบื้องต้นอันต่อไปพอเราทําใจให้เฉยได้ด้วยสติแล้ว การต่อไปก็ใช้ปัญญาคอยรักษาให้มันเฉยเวลาไปเจออะไรไปเห็นอะไรไปสัมผัสรับรู้อะไรพอจะเกิดความโลภ ก, ก็ให้มันเฉยหยุดมันพอจะเกิดความโกรธก็ให้มันหยุดถ้ามีปัญญาก็จะหยุดได้ปัญญาก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา พอเห็นอะไรอยากจะได้อะไรก็หยุดความอยากได้เวลาเห็นร่างกายอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็หยุดได้เพราะปัญญาจะสอนว่าห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้ ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถรักษาใจให้เฉยได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอยู่ที่มันจะต้องเป็นได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี่มันจะต้องเกิดการพลาดพาจากการมันต้องเกิดแต่เราสามารถอยู่แบบไม่ทุกข์กับมันได้ ถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยที่ทุกกันก็เพราะว่าทำใจให้เฉยไม่ได้พอเสียอะไรไปในใจป่วนปันป่วนขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาหรือยังไม่ทันเสียเพียงรู้ว่าจะเสียก็ไม่สบายใจนะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนี่ก็ไม่สบายใจแล้วยังไม่ตายเลยยังไม่เป็นเลยเพียงแต่มีอาการ แสดงว่าจะเป็นท่า น, นมันก็ใจก็ปวดนะแต่ถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะเฉยมันก็มันก็รู้ว่านี่คือร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายไม่มีใครไม่เจ็บไม่ตายแต่ใจที่มีสติมีปัญญาจะเฉยได้ การภาวนาก็เพื่อมาสร้างสติมาสร้างปัญญาสร้างสติก็จะมีสมาธิมีความสงบใจสงบใจก็จะเฉยได้แล้วถ้ามีปัญญาใจก็จะปัญญาก็จะรักษาความสงบไม่ให้ใจวุ่นวายได้การภาวนาก็คือการมาสร้างสติมาสร้างสมาธิสร้างปัญญา เพื่อรักให้ใจสงบให้ใจอยู่เฉยๆเบนตอนนี้ใจเราตอนนี้สงบไหสบายไหยเฉยๆไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวพอไปสัมผัสกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็ป่วนขึ้นมา ท, าทันทีวุ่นขึ้นมา ท, าทันทีถ้ามีสติมีปัญญาก็จะไม่ไม่วุ่นวายจะเฉย ลับรถไปรถวิ่งตกข้างทางก็เฉยรถถูกปาหน้าก็เฉยรถติดบนท้องถนนก็เฉยทำไงได้มันห้ามมันจะเกิดก็เกิดแต่ใจเราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันวุ่นวายแล้วได้อะไรนะฝ่ามันก็ห้ามมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรรถมันจะติดมันก็ติดเยื่อนัน รถคันอื่นจะมาปาดหน้ามาแซงซ้ายแซงขวาเราไปห้ามเขาได้ปะ่ะเขาก็ทำไปตามเรื่องของเขา <Yeah. S 1> แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญา <Yeah. S 1> ก็วุ่นไปกับเขาด่าเขามั่งว่าเขามั่ง <Yeah. S 1> ไอ้ ا, เหี้ยทำไมขับรถอย่างนี้ เนี่ยคือเราไม่สามารถมามาแกะมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือใจเราจากใจที่ปั่นป่วนวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆให้มันเฉยใครด่า ก, ก็เฉยใครชมก็เฉยใครขโมยข้าวของไปก็เฉยใครจากเราไปก็เฉยได้อะไรมาก็เฉยไม่ดีใจ รู้ว่าได้มาแล้วเดยวก็ต้องเสียไปตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยน่ะคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเราต้องรู้ว่าเราปฏิบัติอะไรเราปฏิบัติเพื่ออะไรั้งทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราปฏิบัติกันนี้ปฏิบัติเพื่ออะไรผลที่เราควรจะได้เป็นอะไรรู้แต่ชื่อของมันว่าได้มากได้ผลได้นิพพาน ได้สวรรค์ชั้นต่างๆแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรสวรรค์ชั้นต่างๆก็คือความเฉยในระดับต่างๆนี่เองเฉยมากเฉยน้อยเฉยมากก็สูงเฉยน้อยก็ต่ำแล้วถ้าปั่นป่วนวุ่นวายรุ่มร้อนก็ไปอบายกัน นี่คือเรื่องจิตใจของพวกเราเป็นเหมือนกับคนไข้มีโรคคือความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าเราอยากจะรักษาโรคใจเราก็ต้องศึกษาเป็นนักศึกษาแพทย์กันต้องไปเรียนวิชาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วก็เอาไปปฏิบัติให้ใช้เงินให้ถูกอย่าไปใช้เงินในทางที่ผิด ใช้เงินในในการสร้างความทุกข์แลใช้ในใช้เงินไปในการดับความทุกข์ถ้าใช้ตามความอยากนี่เป็นการใช้สร้างความทุกข์เพราะความอยากนี้มันจะทำให้เราอยากอยู่เรื่อยๆได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่พอก็ต้องทุกข์ไปกับการหาเงินเพื่อที่จะมาใช้เวลาไม่มีเงินใช้ก็ทุกข์เวลาหาเงินก็ทุกข์ พอได้มาก็ใช้ป๊อปก็หมดแล้วก็ไปหาใหม่แต่ถ้าเอาไม่เอาเงินไปใช้ตามความอยากเก็บไว้สาหรับใช้กับสิ่งที่จำเป็นถ้ามีมากเกินไปก็เอาไปทำบุญอย่าเอาไปใช้กับของฟุ่มเฟือยมันก็จะทำให้เราไม่วุ่นวายกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทอง ไม่ทำให้เราไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมในการหาเงินหาทองว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหามากๆหาไหวๆหาง่ายๆเราหามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอนี่คือหน้าที่ของเงินทองมีเท่านั้นแหละมีไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลรักษาน่างกายถ้าอยากจะได้ความสุขมารักษาศีลมาภาวนากัน จะได้สุขแท้ถ้าใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆจะเป็นความสุขปลอมเป็นสุขความสุขแบบยาเสพติดใช้แล้วก็จะติดซื้อแล้วก็จะติดจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆใช้อยู่เรื่อยๆขั้นตน้นต้องรู้จักวิธีใช้เงินทองพอรู้จักแล้วเราก็จะมีเวลามาบำเพ็ญแล้วอาจจะไม่ต้องทำงานมาก เพราะเราไม่ต้องหาเงินมากไม่เพาะเราไม่ใช้เงินมากแต่ที่จะต้องทางานทุกวันก็อาจจะทำงานอาชีพอิสระทาขายประกันขายอะไรก็ได้พอวันไหนขายพอกินแล้วก็หยุดหยุดสามวันห้าวันไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมดีกว่าพอเม่พอมัอนหมดก็ค่อยออกมาขายประกันใหม่มาทำอะไรใหม่เป็นงานอิสระ ไม่ต้องทำทุกวันทำเท่าที่จำเป็นเอาเวลามารักษาศีลมาภาวนานดีกว่านี่คือการศึกษาให้รู้การกระทำต่างๆว่ามีมีเหตุผลทำไมทําไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำทานทำไมต้องรักษาศีล รักษาศีลเพื่อป้องกันแม่เราไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นและกับตัวเรานั่นแหละไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปรักษาศีลแปดเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามีเวลามาปฏิบัติกันถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็ไปทากิจกรรมอย่างอื่นกันมาปฏิบัติสติเพื่ออะไรเพื่อให้ใจสงบให้ใจมีความสุข ให้ใจเฉยแล้วจเจริญปัญญาเพื่ออะไรเพื่อรักษาความใจที่สงบที่เฉยนี้ให้มันสงบให้มันเฉยไปเรื่อยๆ mm hmm. เวลามีอะไรมนกระทบกับใจใจจะกระเพื่อมก็ใช้ปัญญามาระ ง, งับได้ mm hmm. เช่นใครด่าปุ๊บนี่ใจจะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีให้มันด่าเราทำไม mm hmm. ถ้ามีปัญญาก็พิจารณาวลาเาห้ามมันไม่ได้มันอยากจะด่าก็เรื่องของมัน มันก็เป็นเหมือนเสียงฝนตกฟ้าร้องเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้ทำไมเราต้องไปทุกข์กับมันไปวุ่นวายไปกับมันทาไมถ้ามีปัญญามันก็จะทำให้ใจหยุดกระเพื่อมได้เห็นอะไรอยากได้ก็พิจารณาว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปได้มาแล้วเดี๋ยวก็จากเราไปเวลาจากไปก็เสียใจอกีกตอนนี้ไม่เสียใจไปเรื่องอะไรไปหาเรื่องเสียใจมาใส่หัวทำไม นี่คือปัญญาแล้วมันก็จะทําให้ใจเราเฉยกับความโลภเฉยกับความโกรธเฉยกับอะไรต่างๆได้หมดเฉยแล้วสบายไม่เฉยแล้ววุ่นวายก็ขอให้พยายามศึกษาหาหนังสือต่างๆดีๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วมีประสบประการณ์มาแล้วมาช่วยเสริม แต่เราต้องรู้คำสอนหลักของพระพุทธศาสนาคือพระสูตรต่างๆที่พู้เจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อเราจะได้ไม่หลงทางเวลาอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์รูปอื่นจะได้รู้ว่าท่านสอนนอกแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าเราไม่มีหลักสูตรหลักแล้วไปเรียนหลักสูตรเสริมนี่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันตรงกับหลักสูตรหลักก็ขา ก็เขีว่าพอสมควรแก่เวลาก็าจะอนุมูธนาให้พร อ, อยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาปา จันโทปนญหราโสยะธาเมณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีทีคาโยโผวาอะพิวาทธนสิลิสะนิจังหุธาปจายินุ ยัตตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่นะใครอยู่มีเฟซบุ๊กมียูทูบก็ติดตามได้ทุกคนทุกแห่งทั่วโลกมีชาวฝรั่งอยู่ลาสเวกสัสคนยังติดตามอยู่ยังต่อเนื่อง ตอนนี้ก็าตีหนึ่งตีสองเขยังติดตามตอยู่วันนี้เข้ามากี่คนแล้วที่ f เฟซบ o ๊ก อ, นน อ, 33, อัออน น, น, นี้ตอนนี้เหลือส3 3ร้อยสามสิมค่ะอ่า YouTube มีสามคนครับสามี่ตอนนี้เข้ามายังยังไม่เข้ามาเดี๋ย็กหกอยู่เยอะเลยดูย้อนหลังได้ทุกวันเลยใช่ค่ะที่ ท, ที่เสร็จเนี่ย ฟรีของพวกนี้ฟรีหมดเลยไม่ต้องเสียเงินเออพูดดังๆเดี๋ยวเดี๋ยวกันเลเนะเพราะว่ามาจากกรุงเทพค่ะแล้วก็ลงค่ะท่านไม่เป็นไรลงหลงแล้วก็กำหนดเวลาว่าใกล้จะถึงขั้นมาก กจยิงใจแต้นใหญ่หาทางใหญ่ที่ว่จะไม่ทันพอดีมากับลูกสาวลูกสาวเจอเปิด G.P.S มาถึงได้เจอ่คตอนนี้เลยให้ลูกสาวลางานมาวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดค่ะของของโยมค่ะโยมอายุ12พค .13 ค่ะก็สิ่งแรกก็คืออยากจะมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพ่อจ้ะแล้วก็ในขณะเดียวกันอยากจะขอถาม่างๆปมา้ะ นะคะเออโยมขอเข้าเรื่องเลยนะคะคือโยมเนี่ยปฏิบัติทางตามที่ว่ามีสตินะคะรู้อริยบทแล้วก็ตัมจิตนะคะแล้วที่เท่าที่ผ่านมาโยมนั่งหงนี้ตือนได้ได้ที่โยมผ่านมาเนี่ยโยมเป็นมะเร็งอะไรที่ผ่านมา แล้เรื่องพวกนั้นนะคะไมมีปัญหาแต่สิ่งที่โยงทํามาได้ก็คือโยงดูจิตนะคะแล้วก็พอถึงเวลาที่มีปัญหาที่ยาในกระทั่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโยกก็เข้าไปดู น, นะคะแล้วก็โยงก็จะเห็นทุกเวทนาที่ก็เกิดขึ้นเป็นตา่างๆแล้วเขาก็ลดลงนะคะแล้วก็เวลาที่โยงเจ็บไข้ได้ป่วยโยงก็รู้ว่า จิตกับกายเขาแยกจากกันในสิ้นเชิงเขาไม่เกียกั น, นะะโยกก็จะเป้าเข้าดูจิตแล้วก็ส่วนกายเขาจะเป็นยังไงก็ดูแลรักษาเขาไปตามสภาพความเป็นอยู่ของของร่างกายแล้วทุกอย่างมันก็ผ่านมาเรื่อยๆพอผ่านมาเรื่อยๆเสร็จทอมเมื่อเรืวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับโยกใหม่นะคะคือโยกก็ขับลถตามปกติ ผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเขานั่งอยู่ใกล้กันแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคู่สามีภรรยากันหรือคู่รักกันนะคะแต่ความรู้สึกในิตของโยมมันขึ้นมาเองคือรู้ว่าสองคนนี้เขารัใกใคร่กันสุดท้ายมันก็คืออยู่ที่เพศสัมพันธ์นะคะพอรู้เรื่องเพศพอคิดเป็น เ, เพศสัมพันธ์เสร็จขอประทานโทษนะคะท่านความรู้สึกของโยมเรื่องเพศสัมพันธ์มันก็มีความรู้สึกกระตุกขึ้นามนาม นะคะพอกระตุกขึ้นมาสิโยก็คิดอยู่ขณะตรนั้นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เออแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนี้โยงจะคิดอะไรดีโยงจะพิจารณาอะไรดีเพื่อให้ตรงกับทางหลักของธรรมะให้ตรงที่สุดเพราะว่าในส่วนที่โยงทำโยงก็มีความรู้ได้แค่ดีตอนนี้โยงก็เลยสใจในปัญหาอันนี้ว่าถ้าขณะที่เกิด ปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นมามทางที่ถูกต้องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะเดินในเส้นทางตามองผาผู้ที่ปฏิบัติโดยชอบแล้วนะคะโยมควรพิจารณาหรือโยมทำอย่างไรโยมติดใจไหมคะคือคนที่ก็มีเพศสัมพันธ์กันเพราะเขาเห็นความสวยงามของร่างกายของคนที่เขาเขาชอบ ดนวิธีแก้ก็ต้องมองดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายที่ท่านเีบกวให้พิจารณาสุภาพเช่นดูอาการ32สองนอกจากผมกลกฟันหนังที่เราเห็นภายนอกแล้วมันยังมีเนื้อเอ็นกระดูกมีม้ามหัวใจมีตับมีไตมีปอดมีลำไส้มีอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูอยู่ในร่างกาย ถ้าเราเนึกถึงภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายความอยากมีเพศสัมพันธ์มันก็จะหายไปแต่แต่แต่ความรู้สึกของโยมที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากความอยากมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นรบบว่ามันกระตุกพอมันกระตุขึ้นมาก็มั้รู้เท่าทันก็นั่นแหละคือความอยากอ๋อเอคท่านจิตมันไม่ปกติมันเฉยท่านไม่เฉยก็แสดงว่ามันอยากมันมีอารมณ์ละ มันมีอารมณ์ถ้าอยากจะดับอารมณ์นั้นก็ต้องมองถึงร่างกายดูว่าสุภักของร่างกายแต่ตอนนี้สิ่งที่โยมทำอยูก่ก็คือการตัดแค่ตามรู้เขาอย่างเดียวถ้าทำํำแค่การตามรู้เขาอย่างเดียว เ, เขาก็มีอะไรเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันเขาอย่างเดียวนี้มันจะเป็นมันดับชั่วคราวอย่าง ด, ด, ด้ว ย, วยสติ แต่ถ้าจะรับเพศนี้ก็คือต้องทำด้วยปัญญาถ้าเห็นร่างกายของคนที่เราหลงหลงรักหักหลงชอบว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเราก็จะไม่มีความหลงอีกแล้วเราก็จะไม่มีความรักใคร่ของก็คือไปพิจารณาเช่นเวลาเขาแก่เวลาเ้าตายนี่เรายังอยากจะรักเขาอยู่วะปะยังอยากจะร่วมเพศกับเขาอยู่วเปะต้องพิจารณาสุภะ จึงจะตัดความรักความคลายได้ในร่างกายของผู้อื่นแล้วก็ตอนตรงช่วงนี้สิ่งที่โยมทำอยู่ก็ทำแค่ที่ที่โยมบอกท่านอาจารย์แล้วไปดีอะไรที่ท่านอาจารย์จะเสนอคือการตามดูจิตนี่มันถ้าดูแล้วต้องต้องหยุดมันได้ถ้าหยุดได้อย่างท้าวอนถ้าหยุดแบบเทีาา่ยวข่าวก็ยัง ยังไม่ไม่ไม่ดีพอต้องสามารถทำให้จิตมันไม่ต้องไปตามดูมันคือมันไม่มีปัญหาแต่ยังต า, ามดูมันแ<ช>สดงว่ามัา น, านยังมีปัญหาอยู่เราต้องทำให้มันไม่มีปัญหาวิธีที่จะทำให้มันไม่มีปัญหาก็ต้องใช้ปัญญามันโรค ก, ก็ต้องใช้ปัญญาตัดมันมันโกรธก็ต้องใช้ปัญญาตัดมัน ถ้าใช้สติมันก็มันก็จะไม่ตายมันก็เพีงแต่จะหยุดแป๊บหนึ่งแล้เดี๋ยวเราต้อง ก, กับมาใหม่แล้อว่ากลับมาโลกใหม่กลับมาโกรธให ม, มถ้าใช้ใช้ปัญญาแล้วมันจะไม่กลับมาแล้วใช้ปัญญาก็าต้องเห็นว่าสิ่งที่เราโลกเป็นทุกข์<ช>ไม่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่ของเรา นั่นหมายแปต่อไปมันเห็นมันโลบมันเห็นสิ่งที่เราโลภมันเป็นทุกข์เราก็เราก็ไม่อยากได้เป็นอย่างมีลูกเนี้่มันสุขเมื่อมันทุกข์มีลูกมาแล้วมันสุขเมื่อมันทุกข์กันได้ถ้ายังเห็นว่าสุขมันก็จะมีความมีถ้าเห็นว่ามันทุกข์ก็มันจะไม่อยากมีแล้วแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะนั่นก็เป็นกิเลสมันไม่คิดทางปัญญาไม่ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็เกิดเป็นความทุกข์คุณอาจารย์แล้วถ้าถ้าเรามีอะไรที่เกิดขึ้นพเราตามแล้วก็หยุดแล้วก็ดับไปเลยมันก็กลับมาเราก็ขับผิดจะต้องใช้ปัญญาถ้ามีปัญหากับเรื่องอะไรต้องใช้ปัญญาปัญหากับคนนะคนนี้ก็พิจารณาว่าเขาไม่เที่ยงเราไปอย่าไปยุ่งกับเขาเราไปบังคับไปควบคุมเขาไม่ได้ เชนถ้าทุกขกับลูกนี้จะต้องพิจารณาว่าเราสั่งเขาได้หรือเปล่าเราห้ามเขาได้เปล่าเราเวลาก็สั่งได้เราเวลาก็สั่งไม่ได้เวลาสั่งไม่ได้เรารอเป็นยังไงกเสร็จเลยก็ทุกข์เลยแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเขาเป็นตัวของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเนี่ยเนี่ยแต่ปัญญาก็ทุกวันนี้ก็ใช้วิธีนี้ค่ะ ต้องใช้ปัญญาต้องเห็นปลายลักษณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหากับเราได้แต่เห็นว่าเขาเป็นปลายลักเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถ้าเราไปยุ่งกับเขามันทําให้เราทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับเขาว่าเราห้ามเขไม่ได้สั่งเขไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราก็เหมือนกันเราสารัา่งมันได้แต่มันจะไม่สบายมันก็ไม่สบายขึน้นมาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ทุกข <Jac que. S 1> ์มันไม่สบายก็ะฝันไม่สบายใจ รักษาได้ก็รักษาไปมันจะตายให้มันตายไปมันก็ไม่ถุดทุกอย่างมันจะต้องใช้ไตละถ้าเป็นความรักความไข้ก็ต้องใช้อสุภะถ้าเป็นความอยากกินละอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตก็ต้องดูอาหารปฏิกลของอาหารดูอาหารเวลามันอยู่ในท้องอยู่ในปากเวลาคายออกมายังตัดเข้าไปกินใหม่ได้ไนหะ อยากไปดูอาหารในจานถ้านึกถึงอาหารในจานแล้วมันจะหิวถ้านึกถึงอาหารที่ออกมาจากทวานหนักแล้วมันจะไม่หิวมันจะกินไม่ลงมันจะไม่อยากกินอ า, ารนะนั่นแหละปัญญามันต้องมันมีปัญญาแต่ละชนิดไว้สำหรับแก้ปัญหาแต่ละชนิดถ้าเป็นเรื่องความรักคนความสวยความงามของคนนี่ก็ต้องดูเขาเป็นซากศพดูเป็นอสุภะ ดูตับไตไส้พุงของเขาดูโครงกระดูกของเขาเห็นไหมเห็นโครงกระดูกเราไม่เห็นใช่ไห ม, ไมเห็นดาราภาพยนตร์นี่เราเห็นโครงกระดูกของเขาไหมถ้าเห็นลราคงจะไม่ข้างใครร่างหลงไหลในรูปนัางเขาใช่ไหมนี้เรามองไม่เห็นเราต้องฝึกมองทะลุเข้าไปข้างในเป็นด้วยการนึก ด, ด้วยการคิดอยู่ได้เรื่อยการพิจารณาการพิจารณาก็ให้นึกให้คิดอยู่ได้เรื่อย ถึงอาการที่ไม่แสงงาที่ถูกผิวหนังนี่หุ้มห่อไว้อยู่หรือสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหลายน้ําชนิดต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเหนืหอน้ํามันข้นน้ําลายน้ําโมกของปฏิกูลนั้นเราไปรักพวกนี้หรือเราลักน้ําลายเขาเปล่าเราลักน้ํำมูเขากล่าวเราลักปัจจวะตรเขารู้ปล่าใช่ไมันก็อยู่ในร่างกายนี่นมีไง เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาคือูกย่มเข้าใจแล้วค่ะคือนอกจากคือเราดูสตินะี้แล้วแล้วเราก็ใช้ปัญญาปัญญาที่อาจารย์หมายถึงก็คือออกมาหักลา้างไปตรงนี้ท้านความหลงเรามองเห็นลรืองอย่างว่าเป็นสุขได้ล้ได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ลืมไปว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปก็กลายเป็นความทุกข์ไปเรื่อง เ, เวลาหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่คือปัญญาท่านตนต้องต้องทำใจให้สงบกว่าด้วยสติถ้าใจไม่สงบใจจะไม่เฉยแล้วใช้ปัญญาก็ไม่ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ย้อนฝังอุ่นทั้งให้มันสงบแล้วมันจะเห็นโทษเวลาไม่สงบเวลาไม่เฉยเวลาใจเฉยกับใจไม่เฉยมันต่างกันใช่ไหมใจเฉยแล้วสบายไหถ้าไม่เฉยแล้วมันวุ่นอยนะเวลามันวุ่นก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ ถ้าใช้สติมันก็หยุดชั่วข่าวพอเผลอมันก็ไปวุ่นใหม่ได้แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะไม่วุ่นเข้าใจนะนะขอบคุณวันนี้คิดว่าจะไม่พัาท่นทานเนี่ยติดตามทัง YouTube ก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้กำลังถ่ายทอดอยู่ ถ้ามีปัญหานี้ต้องมันต้องมาถามเองถึงยัดีถามจะอยู่ที่บ้านก็ส่งข้อความเข้ามาได้แต่มันมันจะมันจะไม่สะดวกใช่ค่ะถามแล้วมันตอบไปแล้วมันยังไม่เข้าใจต้องส่งมาถามใหม่ใช่ถ้ามานั่งฟังมาคุยกันนี่มันได้สนทนากันตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามต่อได้เลย ห, หนูหนูถามได้ไหมคะได้ ที่ท่านบอกว่าให้ดูเวลาสมมติว่าถ้าดูอาหารอย่าเพิ่งอยากไปดูในการให้ดูในสิ่งที่พอมันเน่มามันเน่าด้วยใช่ไหมคะท่านกํำลังจะบอกว่าให้มองทั้งสองแง่หรือเปล่าคะอ๋อไม่เวลาเราหิวอาหารโดยที่ยังไม่ถึงเวลาไม่ควรจะกินเวลาที่ควรจะกินอยาาไปมองมันเดี๋ยวกินไม่ลงอเวลาเช่นคนถือสิ่งแตะเนี่ยไม่ให้กินข้าวเย็นเนี่ยเพราะตอนเย็นมันจะหิวมันจะคิดถึงอาหารที่อยู่ในจาน มันก็จะทรมานใจหรือไม่งั้นมันก็ต้องผิดศีลถ้าอยากจะรักษาศีลอยากจะไม่ทรมานใจก็ต้องมองอาหารที่ไม่น่ารับประทานอันนี้คือคือเป็นประโยชน์ในการที่จะควบคุมตัวเองใช่ไหมคะใช่ควบคุมตันหาค้าอย่าแล้วแล้วหนูไม่เข้าใจตรงที่ว่าสมมุติว่าเรามองอันนี้คือในในความคิดหนูนะคะหนูแท่รู้สึกว่า มันมันมองอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าคือตอนที่มันสวยกับตอนที่มันไม่สวยเพื่อที่จะได้ยอมรับว่ามันมีทั้งสภาพสวยและสภาพไม่สวยหรือเปล่าคะก็ใช่เนี่ยถ้าเรามองด้านเดียวมันจะทําให้เราเกิดความอยากอยู่เรื่อยๆพอเรามองด้านที่ไม่ไม่สวยเราก็จะหยุดความอยากได้ก็คือในความเป็นจริงอ่ะทางร่างกายทางทงเสิทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีมุมทั้งสวยและไม่สวยแต่ถ้าเรายอมรับได้ว่ามันมีทั้งสองมุม เราก็จะไม่ไปยุ่งไม่ไม่ไม่ไปไ ม, ไ ม, ไม่ให้ความสําคัญมันมากจนเกินไปใช่ไหมคะใช่ไม่เป็นเป็นเรื่องปกติปกติด้วยแล้วก็ไม่ไปมีความผูกพันกับเขาอ๋อค่ะขอบพระคุณที่มีแฟนกันก็เพราะว่าเห็นแฟนสวยใช่ไหมแฟนน่ารักใช่ไหมพอเห็นว่าแฟนเป็นกระดูกโครงกระดูกนี่มันก็ไม่น่ารักละอยู่คนเดียวดีก่กะ คืเราตอนนี้มองด้านเดียวเรื่องตอนนี้มองด้านเดียวด้านสวยด้านงานก็อะไรวุ่นวายกับการหากับการยึดติดอยู่กับของต่างๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราแบบสมมุติว่ า, สม ม, ว า, า, า, าสมมติว่าเราเราไปเจอปัญหาไงค่ะสมมุติว่าเราเจอปัญหาหรือว่าเราสิ่งเจอสิ่งที่เราไม่พึงพอใจอแต่เราเรารู้จักมองว่าเออในความไม่พึงพอใจมันก็จะมีสิ่งดีด้วยอย่างเงี้ยก็คือการเหมาะให้เรามีความสุขใช่ไหมคะ่ะ คือค่ะมองให้เรารู้สึกว่าไม่ไม่เป็นทุกข์กับมันอะไรยงี้ปะคะใช่คะ่ะก็เพื่อดับความทุกข์อะที่นี่มันจะมองอมองอย่างไหนที่มันถึงจะทําให้ดับความทุกข์ได้อย่า ง, างแท้จริงบางทีอาจจะมองอในแง่ที่ว่าเขาเร็วเขาก็ยังมีอะไรดีอยู่มันก็เลยทําให้เรายัางรับเขาได้อยู่แต่ถ้าเรามองว่า เขาจะดียังไงเขาจะเลวยังไงเดี๋ยวเขาก็ตายจากเราไปเวลาเขาตายจากเราไปถ้าเรายังไปเห็นว่าเขาดีอยู่เราก็จะเสียใจอยู่ดีเห็นถ้าเรามองเราต้องมองว่าในที่สุดเขาก็ต้องดับ mm hmm. เขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไป mm hmm. จ, ะจะแก้ปัญหาได้ถอนแบบถอนรากถอนโคนใช่แล้วค่ะแก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคน เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยถ้าเรายังคิดว่าตัดถึงแม้เขาจะไม่ดี<อ>เขาก็ยังไม่ดีอยู่เราก็เลยยังยุ่งกับเขาต่อไปอแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าเขาก็ไม่ดีขึ้นมาอีกเราก็เสียใจแต่ถ้าเราบอกว่า อ, อย่าไปยุ่ง เ, เดี๋ยวมันก็ตายเราห้ามมันไม่ได้มันก็แค่ต้องไปยุ่งกับเขาเสียเพราะเราไปเราไม่รู้ว่าเขาจะไม่ดีขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ได้อ่า อย่าัน ม, มันเป็นยาแก่แบบคือตัดมันต้องการตัดไม่ยุ่งกับเขาแต่ถ้าเราไปมองในแง่ดีของเขาแนละ้วก็ยังอยู่กับเขาต่อใช่ไห ม, ไหมแล้วเดี๋ยวเกิดเขาไม่ดีขึ้นมาอกีกแล้วก็เสียใจอกีกยงถ้าไม่อยากจะเสียใจซ้ำซากก็ตัดเป็นไปเลยแต่ยังไม่อยากจะตัดก็ต้องมองอย่างนั้นนะมีดี ก็เวลาอยู่ด้วยกันบางทีก็ทะเลาะกันได้อยากจะหยากันนี้ก็ต้องมองมองในี้ดีของเขาบ้าง <c oughs> มองตอนที่เราครบกันใหม่ๆเจอกันใหม่ๆเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้แต <c oughs> ามองนี้มันก็ยังอ่ะพอทนอยู่กันต่อไม่ได้ <c oughs> สำหรับคนที่ยังต้องอยู่ต้องมีคู่ครองอยู่ก็ต้องมองแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เห็นว่ามันก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกเดี๋ยวอยู่กันเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหากันอีก ไม่เลิกนั่นก็เรื่องนี้ทุกคนอยากไปอยู่ด้วยกันเลยดีกว่าขัดอยู่แบบอยู่คนเดียวให้ได้ดีกว่าถ้าอยู่คนเดียวได้แล้วมันก็จะไม่มีปัญหากับเขาอีกต่อไปแต่คนที่จะตัดแบบนีไ้ได้ต้องมีสมาธิก่อนนะเพราะถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีความสุขในตัวมันก็ตัดไม่ได้สมาธิหมายความว่าต้องจิตสงบจิตมีความสุขอ ถ้าเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องหาความสุขจากแฟนเนี้เราก็ตัดแฟนทิงไปได้เลยเรื่องมากนักไปเลยอยู่คนละที่กันอฉันอยู่คนเดียวได้ฉันนั่งสมาธิฉันก็มีความสุขดีกว่าการดีกว่าความสุขที่ได้จากการอยู่กับแฟนอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนว่าเป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมค ะ, ะโดยที่เราไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาให้นะ ถ้าสายคนอื่นแล้วเดี๋ยวเกิดเขาไม่ให้เราเราก็ทุกข์น อ, อให้คิดอย่างนี้เราจะได้ตัดเขาได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขในใจนี้เราก็ตัดเขาไม่ได้อ๋อยังไ ง, งถึงว่าจะให้ความทุกข์กับเราแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ยังให้ความสุขเราอยู่แสดงว่าอย่างพระสงฆ์ที่มาบวชอย่างนี้เราต้องอยู่คนเดียวค่ะแต่แสดงว่า ตอนที่ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยแสดงว่าจะคิดต้องคิดว่าแบบเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนเหรอคะใช่คนที่มาบวชจริงๆก็ได้สัมผัสกับความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วเข็ถึงมาบวชกัน<อ>แต่คนที่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มาบวชจริงๆเขาก็ยังไม่ได้สัมผัสเขาบวชตามธรรมเนียมตามแบบนี้ตามเชื่ออาจจะมาลองทดลองศึกษามาปฏิบัติ ด, ดูแล้วถ้าเกิดเขาได้ผลจากการนั่งสมาธิเขาก็จะอยู่ต่อไปได้ ถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้ผลจากสมาธิเขาก็มี2ทางเลือกก็คือศึกไปหรือถ้าอยู่ก็อยู่แบบหาความสุขทางอื่นแทนแทนที่จะเอาความสุขจากการนั่งสมาธิก็ความสุขจากการไปทํากิจกรรมไปสวดมนต์ไปทําอะไรแล้วก็มีลังวีรางวัลวจากการสวดมนต์แล้วก็เอาลังวีรางวันนั้นไปซื้อข้าวซื้อของไปท่องไปเที่ยวอะไรกันนั่นก็อยู่แบบนั้นเอง อยู่แบบที่พุทธเจ้าให้อยู่ก็คือให้มาอยู่กับความสงบอย่าไปอยู่กับลาบสกการะเอาของเงินทองอะไรต่างๆเพราะมันก็อันนั้นก็ไม่ต่างจากการเป็นคารวะอยู่นี่นี่อยู่แบบสองแบบถ้าถ้าอยู่แบบนั้นมันก็จะไม่มีวันที่จะเจอความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะจะไม่มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิ เสียมีแต่ไปสวดงานนู้นสวดงานนะู อ, อก็อจจะไปทำกิจกรรมเหมือนกับขาเราว่าเพียงแต่ว่าอยู่ในภาพเหลืองอ่าอาจจะเป็นกิจกรรมทงางศาสนาพาญาติโยมไปทำที่นู่นไปอ่อดพาป่าไปสร้างบงสร้างเจดีย์อะไรอนนย่างนี้ไปแต่ถ้าได้ความสงบก็จะปีกวิเวกอยู่ในปา่าไม่ยุ่งกับใคร ก็คนที่เขาเคยฝึกสมาธิมาแล้วพอเขารู้ว่ามันดีกว่าความสุขทางอื่นเขาก็มาบวชกันพวกนี้มักจะบวชแล้วอยู่งานพวกที่ยังไม่ได้รับผลจากการตั้งสมาธิก็มาศึกษาดูมาลองดูถ้าได้ก็อยู่ไป ถ้าไม่ได้ก็ถ้าจะอยู่ก็อยู่อีกแบบหนึ่งอยู่แบบทํากิจกรรมไป ท, ทําพิธีกรรมต่างๆปกติแล้วที่ท่านอาจารย์วัดแขกตอนช่วงปลายสองโมงต อ, ตอนเช้าก็ที่ศาลาที่วัดยานตอนเช้ากลับประจัญบินระบาดประมาณเจดโมงครึ่งที่ที่ตรงที่วัดยานสัวนลลงวรารามที่อยู่ข้างลังาทนเ่นก็น อตอนช้าประเทศวันเสาร์ประเทศกับวันพระที่ศาลานชั้นแ้่านพักอย่ที่ข้างบน่ข้างบนข้างบนนี้ใช่ข้างบนด้วยข้างล่างด้วยเย็นก็ลงไปข้างล่างกลางวันก็อยู่ข้างบนก <c oughs> <c oughs> สาวจบกฎหมายค่ะ <c oughs> กฎหมายะจบติศาตรตอนนี้ก็ไปทา ง, งานอยู่คณะล่างของท่านิจัย่อ เป็นที่จะสอบคุณนภาษาน้าล่างหมายถึง<ต>ที่ทำที่สภาเลยใช่ค่ะอัะนนี้มีแผนนึ่งจบมางานหรือยังจบปีสอห้าจบปีจบปีแปีปีห้าีค่ะห้าปีเราทำโทรต่อด้วยคันใช่เราไปทำป็นอยาโทรต่อที่หนแต่ไม่ได้ทำพวกอะไรที่ก็เรียกอะไรเนติอะไรพวกนี้อ จบนนแล้วแล้วสอบสอบได้แล้วสอบได้ติดได้แต่ว่ายังสอบผู้ช่วยผู้ค้าเกษตออายการยังไม่ได้ก็เลยมาช่วยทำงานท่านมีใช่ไมมทำไไม่สอบล่ะเพรามันยากยากสอบไม่ได้ค่ะสอบอยู่ค่ะลยสอบะก็ไม่เป็นไรสอบได้หลายรอบไม่ใช่เลยเรามีเรามีญาติคนหนึ่งก็สอบต้องไม่รู้กี่รอบในที่สุดเขาก็ได้เป็นอัยการ เนี่สอบไปรอบเดียวก็ไม่ได้ก็บอกแม่ชักใจเดี๋ยวพิงท้อเลยพรุ่งนี้คนที่เขาสอบกันหลายรอบกว่าจะได้กันสอบได้รอบมันมีประสบะการณ์นะ ม, มันจะได้รู้คําถามต่างๆนีไ่ไงเห็นไต้องมองในมุมนี้เขากลับไปในมอกมุมว่อเขาเขาไม่ได้สักทีเขาต้องการที่จะเอาคนที่รู้จริงๆถ้าเลยต้องอสอบยากมันมีอยู่สี่เล่มเป็นทั้งชุดเลย มังมีลูกคนเดียวเหรอมีลูกสองคนคมีลูกชายอีกคนนึงคนโตลูกชายคนโตค่ะทําอะไรทํางานอยู่ที่บุญคาวอค่ะแล้วก็เขามีลูกมีลูกสะพ้มีหลา น, นสองคนบุญขาวอนที่ขายพวกอุปกรณ์สร้างบ้านอะไรเ น, นี่ยน ะ, ะที่พัทยา น, นี่ก็มีเขาเปิดสาขาทั่วแวค่ะแต่เขาทำอยู่ที่กรุงเทพไหมเขาทำอยู่ที่กรุงเทพพอดีเจ้าของบุญขาวอนี่เขาเป็นเพื่อนกับพี่ชาย ก็เลยช่วยเข้าไปคนนั้นเขาจะเชยมากค่ะท่านเขาบากว่าทำงานเล็้งครอบครัวไปก่อนแล้วก็มีลูกสาววันนี้ก็เลยถ้าไม่ได้เขาเข้ามาเพาท่านไม่ถูกหนูคิดว่าง่ายๆ พอถึงแล้วพอเขาบอกว่าขึ้นข้างบนโอ้โหวนอยู่แถวเนียเ่ยงนวนวนไม่เจอแต่ที่พีให้ไปมามันมาเจงแค่ปากทางที่ทางเข้าเท่นั้นเองไหมคือหนูคือหนูไม่ทราบ ว, ว่าหนูคิดว่าถึงวัดก็คือถ้าอยู่ที่วัดแต่หนูไม่ทราบ ว, ว่าต้องขึ้นมาที่อุทย า, ยานาห้ามทราสั์ที่ดีอะคะอ่ะเลยไม่ได้เจอกีทีเอชที่นั่นแล้วพอดีถามคนคุณแม่ชี พามนะค ะ, ะแล้วคุณแมชีเขาก็บอกว่าให้ขึ้นมาตรงที่เ อ, อกรมทางหลวงแล้วหลูก็เขาบอกให้ถามทางเพราะเรื่อยๆคือข้างนันก็ไม่มีคนให้ทาองอยู่แล้วอะค่ะพอดีไปเจอท่านพระที่ท่านอยู่ในกุติท่านการลณาบอกทาง ม, มาเพราะอย่างนั้นเราเดี๋ยววันนี้ทา่านมีอะไรที่จะเมตตาเทศอันนี้ก็ให้หมดแล้วทุกอย่างเอาไปอ่านก็แล้วกันเขาฟังได้ไหมคะได้เนี่ยมีซีดีฟัง <ś led> ไม่คนจากปักท่านย้ยนอนๆก็พูดให้ฟังแล้วไม่คิถามอะไรก็ต อ, อ, อบเลยนะแต่จริงแล้วนี่นก็คือหัวใจแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวยงก็ขออัตกำลังแล้วก็ขอพรท่านนะคะบันนี้บันไก่ันเกิดขอให้ญญมีความสุขความเจริญแก้วข้าลอสไปคิดสิ่งหนสิ่งใดง่ายสมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆเทิด ยเยูกสาวขึ้นาทีหลังเดี๋ยวแม่ขึ้นวิ่งขึ้นมาก่อนเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวกวจะปิดนะเดวครจะปิดอ่าเดี๋ยวเราจะขอถามตอบทางมีคนทางมากก็จะถามเดี๋ยวมยมยอกับลาเลยค่ตอามทางวันถามเข้ามายูทูปก่อนเลยยูทูปมีคำถามหนึ่งครับจากคุณสิมาครับ ใจหนูมันฝ่ายต่ําเวลาเห็นพระมันจะคิดลามกไม่ดีเวลาฟังธรรมะหรือไปวัดหนูกลัวบาปไม่อยากให้ใจมันคิดแบบนี้เลยค่ะหนูควรจะไปทําบุญหรือฟังธรรมไหมคะปราศขอขอมาพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยค่ะคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราเห็นพระที่ไม่น่าเขาลบมันก็เลยทําให้เราได้ข้อมูลไม่ดีมา เราควรจะศึกษาประวัติของพระที่ดีๆบ้างว่าพระดีเป็นอย่างไรพระไม่ดีเป็นอย่างไรแล้เราจะได้แยกแยกว่าพระไม่ดีนี่เราก็อย่าไปสนใจให้เราสนใจกับพระที่ดีพราะในสังคมมันก็มีของท่ดีไม่ดีปนกันเราไป แต่เราแยกได้เหมือนกันเราไปซื้อของที่ตลาดเราก็เลือกของใช่ไหมของไม่ดีเราก็ไม่ซื้อมาเราเลือกของดียันใดพระก็เหมือนสินค้าถ้าอะรเรในพระที่ไม่ดีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันเรามายุ่งกับพระที่ดีนึกถึงพระที่ดีศึกษาประวัติพระาจานมั่ น, นศึกษาประวัติหลวงตา ศึกษาเกี่ยวกับพระสายปฏิบัติสายพระป่าท่านเป็นพระที่มีความเ้่งคัดต่อพระทาพระวินัยแล้วเราก็จะได้ไม่มีอคติคิดไม่ดีต่อพระพระที่ไม่ดีแล้วก็บอกว่าท่านยังไม่เป็นพระท่านกาลังหัดเป็นพระอยู่พระที่ดีที่พุตดีปฏิบัติดีอันนั้นเป็นพระ เราต้องรู้จักแยกแยะตอนนี้เราเห็นแต่ภาพไม่ดีมันก็เลยมีแต่อคติคิดไม่ดีโยมจะถวายกลองเอามาถวายในตรงนี้เลยเอาใบปวงนามาตรงนี้เอากองไว้ตรงนั้นโยมปฏิบัติถือว่าถ้าไม่ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ปวยก็ถือว่าเก่งแนละ้ว วหว้วางร่างกายได้ถือว่าเก่งแล้วก็ยมมีความเชื่ออีกยมไม่ ไ, มมได้ได้ยมมีความเชื่ออีกจุดหนึ่ ง, ะะ ท, งที่ว่าอมความตายไม่ใช่น่ากลัวะะอะ เ, เพราะว่าเราไม่ได้ตาย<อ>สิ่งที่ตายไม่ใช่เราแต่ยมไม่ได้คิดอย่างนี้นะคะ<อ>่ะเพราะว่าตอนที่ยมใกล้ตายหลายรอบนะคะ<อ>ที่แท้ที่โมยมอยู่คนเดียวแล้วพอมันแพ ยกก็ตามความรู้สึกอะค่ะ ừ ừ ừ พอมันขึ้นๆพอมันถึงแค่ฉันเพีงอ่าี้ยก <ừ> ก็รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติกบกดเรียกพยาบาลคุณเพยาบาลมามาถึงโยมก็บอกให้เขดึงสยายาองออกพอเขาดึงออกเสร็จมันมาความรู้สึกมาแถงตรงนี้แหละมันใกล้จะหมดสติก็เลยคิดว่าถ้าไม่ทำที่เขาเรียกว่าน็อกตายคาเข็มขีโมคลีนี้เอง ừ ừ ừ แต่ตรงนี้ได้เชื่อมั่นตรงที่ว่าขณะที่เกิดทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่มีการกลัวเลยค่ะมันมีสติตามรู้แล้วก็พร้อมพอมไปตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดเพื่อว่าเออจะอยู่จะรอดหรือจะอะไรคิดแต่เพียงแต่ว่าอะไรคือหน้าที่ที่ต้องทเรียรู้เฉยๆรู้เฉยๆแล้วก็อะไรที่จะต้องทำกาบอกแล้วพอคุณพยาบาลมาไปก็เลยถามนี่คุณพยาบาลถามว่าอยากทราบว่าขณะที่คุณเข้ามาคุณเห็น อาการเป็นยังไงเ <c oughs> ขาบอกว่าคุณหน้าแดงหมดแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็เอาออกซิเจนอะไรมาช่วยนะคะแล้ก็เลยบอกว่าใช่เพราะว่าที่อยากถามเนี่ยเพราะว่าตอนช่วงนั้นนะอยากรู้ว่าจริงหรือไม่เพราะว่า <c oughs> มันเป็นขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ประสบมาโยมเป็นมาหลายโรคนะคะแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่โยมเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสิ้นแล้นะคะวันนั้นโยมก็อยู่ที่บ้าน มีที่บ้านเสร็จแล้วก็โยมหรือตาไม่ได้ mm hmm. พอยพิมตาเสร็จมันหมุนไปหมดเลยนะคะท่านแล้วก็จะลุกขึ้นอะไรก็ไม่ได้ก็สั่งเสียงบอก้อกอย่างเดียวว่าสิ่งสําคัญทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน iPad ดพามแม่ไปโรงพยาบาลอยากรู้อะไรดูข้อมูลในนั้นนะ mm hmm. เพราะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเราสืกอสารไม่ได้หรือเราอะไรไม่ได้เราจะลูกจะไม่รู้แล้วพอหลังจากนั้นเสร็จพอเราเอยียงตัวนิดนึงนะคะท่าน มันหมุนไปนหมดเลยเพรหมุหมดในใจมันคิดขึ้นมามันพูดขึ้นมานะคะมันบอกว่าสงสัยว่าเราคงจะไปแล้วนะคะแล้วก็ใจหนึ่งก็สอนขึ้นมาบอกว่าไม่เป็นไรไปก็ไปเราพร้อมแล้วที่จะจากไปแล้วก็ยังคิดติดตะลุกว่า เมื่อวานก็เพิ่งไปทําผมมาแต่งตัวมาสวยแล้วถ้าไปก็สดสวยนะคะแล้วพอคิดอย่างนั้นเสร็จก็ก็ตะแคงเลยตะแคงแล้วก็ไม่สื่อสารกับใครละแล้วก็เฝ้าดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถัาไปก็คือพร้อมอพร้อมไปด้วยกันแต่ก็ไม่ไปเขาไม่ไปเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลศิริราอไปโรงพยาบาลศีวิราไปอยู่ตั้งแต่3ามโงเย็นจนถึงเย็น แล้วก็ตองช่วงบ่ายที่ยังนอนคอยอยู่ข้างนอกค่ะแต่ตอนนั้นที่องค์พระเจ้าอยู่หัวท่านสิ้นเปแล้วะคะ่ะมันก็เป็นเหมือนกับจิตอะไรสักอย่างนันที่มันสะท้อนเข้าไปอะนะคะว่าเราอยู่เงี้ยเราเยียนหัวอะาอย่างเ ง, งี้ยองสมเด็จพระบัทยอดจุง้ง ย, ย่ามหัวเนี่ย ท, ท่า น, นาก็พกดได้เลว่าก็ลูกก็ไม่แย่ที่จะถวายก็คือขอถวายว่าให้ท่าน จะเป็นนั่นนะคะหรือว่าถ้าไม่ไหวก็คือส่งสเสด็จนะคะแล้วก็ผูกพันกับเจา้าฟลาซิลิล่าก็เมตให้ให้เจ้าฟาลาซิลิราชได้รับถือบุญชุริุชนนะคะแล้วพอหลังจากนั้นตอนเย็นอจากโรงพยาบาลพอดีที่ในขณะคล่างเขาบอกมาบอกกสาวว่ามีุ่งนี้ให้เตรียมชุดที่จองเพื่อจะอยู่กนันก็ลยบอกว่าเออก็เป็นหนือนเหมือนได้ส่งสเสด็จ พระองค์ท่านนะะดีออตอนนี้เด็กสิ่งหนึ่งที่ที่ที่โยมเอามาถามท่านอาจารย์นะคะก็คือว่าพอมันเกิดขึ้นนะคะท่านจะรวมรู้ตัวตลอดนะคะแล้วกิเลสประเยกที่มันมาแล้วมาทีตอนช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องพวกนี้โดยตรงนะคะมันปุ๊บแต่แต่พอพยมดูปับ๊บมันก็หยุดนะนะคะมันก็หยุดแล้วมันก็ดับ หายไปจนในใจมีความรู้สึกคิดว่าอ๋อยากเกิดแล้วกระดับมันเกิดแล้วกระดับแต่อยากฟังจากพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่าให้มันแน่ๆเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะผิดแล้วก็หลงทางมันไม่ผิดเนี่ยมันดับชั่วข่าวมันไม่ดับถาวรเดี๋ยวมันก็กลับมาปัจจุบให้โยงคิดร่างกายแล้วก็พิจารณาสุภาษิแล้วก็ดูไอ้ของพวกนี้เนะคะอยง พอบกุปแล้วก็มีวัสนาเพราะวัดท่านเนี่ยเคยผ่านมาดานแต่ก็ไม่ได้เคยเข้ามาเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาง่ายๆแต่แท้จริงยากค่ะยกรบกวนเวลายมก็โชคดีที่ว่าได้พ่อแม่กูปาจารย์สมัยก่อนยมเคยเจอองค์หลงตามหาหัวแล้วก็ โยมดื้มาก <c oughs> พี่สาวพาไปโ <c oughs> ยมก็บอกโยมไม่ไปโยมแก้งหลับพอ <c oughs> ยมหลับพี่สา ว, วก็คุยคุยันจะโยมตื่นตื่นเสร็จแล้วเขาก็ลากโยมไปจนได้ <c oughs> ไปสวนแสงธรรมพอไปถึงที่บุดหลวงตาโยมก็นั่งอยู่ข้างๆเราไม่ถ่ายคุยกันนะโอได้ค่ะได้ค่โยม่ต่อนหนึ่งในความด <พอ S 1> ือ๋อได้พอลนะ้วพอลนะโยมเองต้องตอบคำถามให้คนอย่งเงค่ะค่ะค่ะันโยมกลับานี้ค่ะ คาถามต่อไปาถามจากคุณวิทย์พระอาจารย์คะเราจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์เยอะๆไหมคะต้องคอยติดตามอาจารย์องนั้นนิดองนี้หน่อยมันดีไหมคะควรปฏิบัติอย่างไรดีคะตอนนี้พอรู้จักพระอาจารย์มากขึ้นใจก็อยากตามไปกราบ แต่พอไม่ได้ไปรู้สึกเสียใจแล้วมันก็เกิดความไม่สงบในใจคะ่ะคืออย่าไปยึดติดกับในตัวของครูบาอาจารย์ใยึดติดกับคำสอนของท่านนะคอยติดตามคำสอนส่วนท่านจะอยู่ไหนไปไหนมาไหนเราไม่ต้องไปกังวลสมัยนี้เราสามารถเอาคำสอนของท่านได้โดยวิธีต่างๆงหนังสือธรรมะแผ่นซีดี การถ่ายทอดสดมีคำถามก็ส่งข้อความเข้ามาถามได้อันนี้ก็ก็การถือว่าเป็นมีครูบาอาจารย์แล้วแต่ไม่ใช่หมยายความว่าจะมาอยู่ใกล้ท่านไปไหนท่านไปต้องไปกับท่านอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของอาการติดในตัวคนละซึ่งไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเกิดท่านไม่มีเวลาให้เราก็จะเสียใจท่านมีเวลาให้คนอื่น ไม่ให้เร า, าก็จะเสียอกเสียใจอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธียึดติดครูบาอาจารย์ให้ยึดติดที่คำสอนแล้วพยายามเอาเวลาไปปฏิบัติอย่าไปอยู่ใกล้ท่านอยู่ใกล้ท่านแล้วไม่ได้ปฏิบัติพแลรวรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรก็ไปปฏิบัติแล้วมีปัญหาอะไรหรือต้องการรับข้อมูลเพิ่มก็เนี่ยอ่านหนังสือของท่านก็ได้ดู รือฟังก็ได้ที่มีการถ่ายทอดสดคำถามจากทางยูทู e นะครับจก<ม>าาุกคภณพาลดาพะสกิทธาคามีและพระอนาคามีมีความรู้และความเห็นแตกต่างจากพระโสดาบันอย่างไรขอรับก็เป็นพระโสดาบันที่ที่พัฒนาขั้นต่อไป พระสดาบันนี้ท่านผ่านทางด้านความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แล้วแต่ท่านยังไปติดเรื่องของความรักความใคร้ในร่างกายของคนอื่นอยู่ยังอยากจะเสพกามอยู่อันนี้เขาพระสกิดาคารีกับพระนาคารีก็ต้องพิจารณาอสุภะพระสกิดาคารีนี่ก็พิจารณาได้บางครั้งบางเวลา เวลาที่ไม่ได้พิจารณาก็ยังมีการอารมณ์อยู่เวลาที่ได้พิจารณาก็ดับการอารมณ์ได้ท่านเรียกว่าทําให้การอารมณ์เบาบางแต่ยังไม่หมดส่วนพระนนาคามีนี้สามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการอารมณ์สามารถใช้ปัจจุบภะมาดับการอารมณ์ได้ทุกครั้งจนกระทั่งไม่มีการอารมณ์หลงเหลืออยู่ภายในใจใก็จะเป็นพระอนาคามีขึ้นมา พระอาจารย์ครับพระอย่างพระพระโสดาบานันพระสกิตาคามีหรือว่าพระอนาคามีเนี่ยเป็นระดับของจิตหรือเปล่าครับเ็ระดับของจิตงั่นก็พัฒนาจากโสดาบันไปเป็นสกิดาคามีจากสกิดาคามีไปเป็นอนาคามีจากอนาคามีก็ไปเป็นพระอาหารหันต์คนเดียวกันเน่ <c oughs> หมือนเรียนจบปริญญาตรีก็ไปต่อโทครัจบโทก็ไปต่อเอกเ ครับแต่นั่นก็คือเป็นระดับของจิตไม่ไม่ใช่แบบต้องแบบระดับความรู้ของจิตระดับความรู้ของจิตเอจิตมีความรู้มากขึ้นก็สามารถกําจัดกิเลสได้มากขึ้นครับเข้าใจไหมคือกิเลสมันมีหลายระดับมีระดับโสดาบันระดับสกิดาค่างมีระดับอนาคางมีระดับอรหันต์เราก็ต้องใช้ปัญญาระดับแต่ระดับมากข้าม ระดับ ส, สกิรดาคามีก็คือมีปัญญาบางครั้งบางคราวแต่ไม่ตลอดเวลาถ้าเป็นอานาคามีก็มีสักอสุภาพตลอดเวลามองเห็นใครก็เห็นเป็นซากศพเห็นเห็นตับไตไส้พงุ <c oughs> พง <c oughs> เห็นโครงกระดูกอย่างนี้ครับมันก็จะไม่ทําให้มีการอารมณ์ครับส่วนพระอรหรันก็ไปดับกิเลสที่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ในจิต คือถือตัวติดกยวความสงบของจิตความสุขของจิตที่ยังเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงยังเป็นตายรักอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นตารัแต่ต่อไปก็รู้เองรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดมันเห็นว่าการถือตัวก็ทำให้ใจทุกข์อัตตาตัวตนว่ายัางเป็นเราเป็นตัวเราของเราอยู่ ก็จะปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดไม่ถือว่ามีเราเราก็ไม่มีเราเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองคำถามจากคุณสรารจิตอยากถามพระอาจารย์ว่าเราจะรับมือกับทุกหนักเกี่ยวกับเรื่องการพัดภาคเช่นต้องจากการจากพ่อแม่ลูกต้องมีอันตายจากกันเจ้าค่ะ ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจคิดอยู่เรื่อยๆซ้อมก่อนซ้อมว่าสมมติวันนี้พ่อตายไปแม่ตายไปลูกตายไปเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรายังรู้สึกไม่สบายใจเราก็ต้องทำใจให้ได้วิธีจะทำใจก็ให้ทำสมาธิถ้าทำสมาธิใจสงบใจก็จะเฉยแล้วจะรับความพัดพาจากกันได้ แต่ต้องทํำทั้งสองอย่างทํำทั้งสมาธิแล้วสลับทําด้วยปัญญาถ้าเราไม่คิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราลืมเราจะคิดว่าอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆว่าเราต้องจากกันนะแล้วถ้าเรายังทําใจไม่ได้เราก็มาทําสมาธิให้มากๆคํำถามจากคุณสุวัฒนาการจะเป็นพระโสดาบานันจะต้องทําอย่างไรคะก็เนี่ต้องมีสมาธิมีปัญญาอ่า มีปัญญาที่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้าปล่อยวางมันไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นโซนาบันได้คำถามจากคุณน้องใหม่ข้อที่หนึ่งความหมายที่แท้จริงของคำว่าอาโหสิกกรรมและคำว่าขออาโหสิกรรมคืออะไรคะขออภัยโทษให้อภัยโทษ ไม่ถือโทษกดเคืองกันเช่นใครเขาด่าเราแล้วก็เอาโหสิกรรมให้เา้าไม่เป็นไรไปจบถ้าเราไปด่าเขาก็ไปขอโทษเขาขอเอาโหสิจากเขาถ้าเขาให้เรื่องก็จบถ้าเขาไม่ให้เอาโหสิก็ต้องรอให้เขาด่าเรากลับก่อนเราก็ได้ด่าแล้วแล้วเขาก็เอาโหสิเองข้อที่สอง เวลาที่พูดคำนี้ไปเยรกรรสามารถหมดต่อกันได้ง่ายๆเลยเหรอคะมันง่ายไม่ง่ายอยู่ที่คู่กรณีคถ้าคู่กรณีเขาเป็นคนง่ายก็ธรรมะธรรมโ ม, มันก็ง่ายถ้าคู่กรณีเป็นคนไม่มีธรรมะธรรมโมอาฆาตพยาบาทมันก็ยากคำถามจากคุณสิริวัลความหมายของคำว่าประมาทและมัวเมาในอุปปัิเลศ และเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเกิดอุปกิเล่เกิดขึ้นในใจจะต้องทําอย่างไรต่อไปคะความประมาทก็คือการไม่มีสติคอยรักษาใจเรียกว่าประมาทถ้ามีสติเวลาเกิดกิเลสก็จะยับยั้งมันได้ดังนั้นถ้าเราไม่พุโทโธเราไม่ฝึกสร้างสติก็เรียกว่าเราประมาทดังนั้นพยายามหัดสร้างสติอยู่เรื่อยๆหัดพุดโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ประมาทคือเราเตรียมพร้อมคำว่า ควาไม่ประมาณ ก, ก็คือเตรียมพร้อมเตรียมรับกับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในใจของเราภัยที่จะเกิดขึ้นก็คือกิเลสต่างๆนี่ถ้าเรามีสติเราก็จะสู้กับมันได้ป้องกันใจของเราไม่ให้ทุกข์กั บ, <ม> ก, บกับกิเลสได้คำถามจากคุณพิมพรการที่เรานั่งสมาธิถึงจะรู้จากการเจ็บปวดตามร่างกายและจิต เวลาที่เราไม่ทนทุกเวทนานี้เวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิแล้วมีอะไรมากระทบจิตของเราแล้วเราก็จะรับความเจ็บปวดไม่ได้ถ้าคนเราไม่ได้นั่งสมาธิก็จะไม่รู้ความเจ็บปวดถึงจิตและใจแล้วก็ไม่รู้ความสุขเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเอ อ, อถ้าไม่นั่งสมาธิจะไม่รู้จักวิธีทำใจให้เฉยเวลาเจอความทุกเจอความเจอปัญหาต่าง ถ้ามีสมาธิก็จะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆคำ ถ, ถามจากยูทู e นะจากคุณ r i d e r นะครับนั่นสมาธิแล้วเห็นแสงสีเขียวตกใจออกจากสมาธิมาถูกทางหรือเปล่าครับแล้วต้องทำอย่างไรอ๋อไม่ถูกอะเวลานั่งสมาธิอย่านั่งนั่งดูอะไรให้ดูลมหายใจลืมให้อยู่กับพุโทโธอย่าไปนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้อะไรปรากฏขึ้นมา ถ้าเรามีพุทโธหรือมีลมหายใจมันจะไม่ค่อยปรากฏถ้าปรากฏเราก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธต่อไปด้วยอยู่กับลมหายใจต่อไปเรานั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบเพื่อไม่ไม่ได้เพื่อให้เห็นอะไรต่างๆถ้าเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไปแล้วจะเข้าสู่ความสงบที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะความสงบนี้เป็นของถาวรถ้าเรารู้จัก สร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆคําถามจากคุณนรินลักษณ์ขณะเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเหมือนร่างกายเราไม่ตั้งตรงแต่มีความรู้สึกให้ร่างกายกลับมาตั้งตรงดํารงสติกลับมาเหมือนเดิมถือว่าขาดขั้นตอนของการนั่งสมาธิหรือเปล่าคะเถิสติแล้วเราต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับความรู้สึกนึกคิดต่างๆคำถามจากคุณบีจะมีวิธีไหนที่จะช่วยแก้ไขคนพานภายในได้เจ้าคะก็ใช้ปัญญาคนทานก็คือคนโงก ค, คนที่ไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ใช้ปัญญาสอนใจอยู่ เ, เรื่อยๆต่อไปมันก็จะหายงโง่อหายผ่านคำถามจากคุณเย็นถ้าเราเอาเงินใส่บาตรเป็นบาปจริงหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกต้องไม่ควรจะทำเพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่พระรับเงินรับทองถ้าอยากจะให้เงินทองกับพระฝากคำลูกศิษย์ไว้คำถามจากคุณปิ่นรัตน์ การซื้อเนื้อสัตว์ในตลาดมาทําขายเช่นขายหมูทอดถือว่าบาปไหมคะถ้าเราไม่ไปสั่งให้เขาฆ่าเนื้อนั้นหรือเราฆ่าเองนี้ก็ไม่บาปถ้าเป็นของที่ตายแล้วเราซื้อมาไม่บาปแต่เราอยากไปสั่งล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้เอาเนื้อ5้กิโลอย่างนี้บาปเพราะไปสั่งให้เขาเหมือนก็ไปสั่งให้เขาไปฆ่ามาให้เราเราไปซื้อตามมีตามเกิดถ้ามีขายก็ซื้อมาไม่มีก็ไปซื้อที่อื่น คำถามจากคุณสายทานเมื่อเวลาที่โยมปฏิบัติในตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันก็ตามมีความรู้สึกเหมือนนั่งในคลื่นคงเพลงตลอดเวลาทั้งหลับตาและลืมตาตรงนี้คืออะไรเจ้าคะก็นั่งแบบไม่มีสติไงต้องนั่งแบบมีพุโทโธมีลมหายใจแล้วมันจะไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีก็อยา่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเอง ถามจากคุณวาสนาน้าสาวของลูกอดีตเขามีความลำบากมากแต่ปัจจุบันเขาสบายขึ้นมากเพราะลูกตีตัวเขาก็สวดมนต์ทำทานรักษาศีลแต่กลางคืนเวลานอนเขาจะฝันถึงแต่ความลำบากบ่อยๆเขามีความสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรคะก็ เ, เพราะการรมเก่าที่เขาทำไว้มันยังไม่หมดคาถามจากคุณภผ่ โอนเงินทำบุญได้เหมือนไปทำเองไหมคะได้เหมือนกันคำถามจากคุณจตุพรโยมมีอาคารพาณิชย์แล้วปล่อยให้เช่าเจ้าค่ะแต่โยมมีปัญหาคือมีวิญญาณมาอยู่ในห้องของโยมค่ะผู้เช่าโดนก่ อ, ก, อกวนจนไม่ยอมเช่าค่ะคนที่อยู่ก่อนบอกว่าเขามาปรากฏให้เห็นเขามานอนคืนสองคืนก็พากันหนีหมด ตอนนี้ก็เลยว่างค่ะโยมต้องทำอย่างไรดีคะก็ทำบุญอุทิศให้เข้าไปเนี่ยคำถามจากคุณศิริลักษ์หน้าที่ของมนุษย์ในทางพุทธศาสนามีอะไรบ้างคะก็ปฏิบัติเพื่อให้ตนพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะทำทานรักษาศีภาวนาไป คำถามจากคุณกิจพระอาจารย์เคยพูดว่าการสวดมนต์ภาวนาแบ่งบุญให้ใครไม่ได้ทำไมเวลาสวดมนต์เสร็จท้ายหนังสือสวดมนต์จึงมีบทแผ่เมตตาด้วยครับทัานนั้นเป็นบทสอนไม่ใช่บทแผ่ให้เรารู้ว่าการแผ่เมตตานั้นทำอย่างไรเราจะแผ่ต้องแผ่ตอนที่มีคนรับมีผู้รับไม่ใช่แผ่แบบไม่มีผู้รับแล้วค่ะเแล้วยะ ก็พอสมควรแก่เวลาวันนี้ถ่ายทอดสดจริงๆไม่มีใครดูที่นี่เลยมีที่บ้านอย่างเดียว <c oughs> ก็เอาพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่ติดตามอยู่ขณะ น, นี้ให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปท่าน <c oughs> ไม่มีใครสาธุเลยเนี่ยเพราะไม่มีใครอยู่มีแต่ตากล้องสองคน